ได้เป็นตัวตนไม่เคยได้ทดแทนคุณเลยสักครั้งมีแต่ทำให้วุ่นวายไม่เคยส บ, บายใจสักครั้ง ทำให้วุ่นวายใจจะเชื่อฟังจะไม่ทำให้แม่เสียใจ ไม่เคยได้ทดแทนคนเลยสักครั้งมีแต่ทำให้วุ่นวายไม่เคยสบายใจสักครั้งวันนั้นวั น, น ทำให้วุ่นวายใจจะเชื่อฟังจะไม่ทำให้แม่เสียใจจะเริ่มต้นชีวิตใหม่อาจยังไม่สาก